พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเจดีหลวงตานานาจิตตังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4 กราคมพุทธศักราช2560หมู่วานหลวงพ่อได้ไปฉันอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านตาดแล้วก็ได้มอบรถสีอวีกางเกากลางใหม่ให้กับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ใ, นใช้ในใช้ในมูลนิธิ แล้วก็ได้มาดูการตอกเข็มเจดีองค์หลวงตามเมื่อวานเลยมาเห็นแล้วก็กำลังตอกเสาเข็มกันอยู่คิดว่าวันเมื่อวานเนีเขาก็เลยหาสรรหาบริษัทแต่ก่อนหน้านี้ก็สรรหาบริษัทมาแล้วทั้ง56บริษัทแล้วละ่ะแต่ยังเหลืออยู่สองบริษัท ที่จะมาแข่งขันกันปุวานนี้ก็เลยเขาก็เลยคัดเลือกกันทราบข่าวว่าได้ละได้บริษัท ต, ตอกเสาเข็มละแล้วหลวงพ่อเองก็ยังถามว่าจะได้ใช้จตุปปัจจัยเท่าไหร่ก็พูดออกมาแล้วประมาณสักทั้งรวมทั้งภาษีด้วยกันเนยก็ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบห้าล้านนะ เสาเข็มของหลงตา 1, ตนี่พันต้นคิดคิดดูแล้วก็ยี่สิบห้าล้านถูกต้นรับประมาณสองสองหมืนกว่าอันนี้ก็คือเจอดีขององหลงตากก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะตอกเสาเข็มได้ก็คงเป็นวันที่สามสิบกะกะกันไว้นะเป็นวันเป็นวัน มราณะภาพขององค์หลวงตาวันที่30มกราก็รวมแล้วก็เป็นเวลาหปีนะที่หลวงตาจากไป6ปีถึงจะเริ่มการก่อสร้างต่อไปก็คงจะค่อยไหลไปเรื่อยๆกัมั้งแต่ทิ้งยังไงหลวงพ่อเองก็มอบให้กับหลวงพ่อสุดใจกับผิดน้องประชาชนชาวบ้านตานะเป็นหลัก แต่หลวงพ่อเองจะเป็นผู้สนับสนุนพูดมาโดยตลอดถาว่าพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อสุดใจไม่เอาพี่น้องชาวบ้านตาดไม่สนับสนุนหลวงพ่อก็หมดโอกาสเหมือนกันแต่ทางวัดพี่น้องบ้านตาดแล้วหลวงพ่อสุดใจเอาหลวงพ่อก็ให้การสนับสนุนแต่ตามไม่จริง การสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อก็ย้ำแล้วพูดอีกอยู่บ่อยๆว่าถ้ า, าว่าเราไม่ทํามาไว้ต่อไปก็จืดจางเลือนรางหายไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะในยุคของเราเนี่ยใช่พราเราให้ความสําคัญในองค์หลวงตาแต่หมดรุ่นเราไปแล้วเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยคุณค่ามันน้อยไปนะแต่พวกเราเองก็เหมือนกัน ที่พวกเราเขาอยู่ใกล้ชิดหลวงตาแล้หลวงตาก็เราพวกเราก็เคารพเห็นจริยาวัตดขององค์หลวงตาท่านพาดําเนินอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราก็ซึ้งถึงใจในการพาดํานเนินขององค์หลวงตาแต่พอจากพวกเราไปแล้วนะ่ยมันห่างเหินกันไปความเคารพรักนับถือเลื่อมใสในจริยาวัตด ก็ต้องห่างไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นในช่วงที่เราอยู่ใกล้ท่านก็ควรจะทำอะไรให้เป็นถาวรวัตถุหรือว่าเป็นแนวคำทำคำสอนขององค์หลวงตาให้ชัดเจนนี่พวกเราเน้นทงเน้นเน้นเรื่องหลักธรรมคำสอนนะในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ในคราวนี้ครั้งนี้ เราจะไม่ได้เน้นทางด้านวัตถุอย่างเดียวไม่ได้สร้างพัจเจดีอย่างเดียวเราไม่ได้เน้นทางด้านวัตถุเราจะเน้นในทำคำสอนขององค์หลวงตาที่หลวงตาทำในําทำคำสอนอย่างไรเราจะคัดสรรธรรมเทศนาของท่านให้เป็นตัวหนังสืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย ภาษาจีนลักษณะอย่างนั้นแหละเป็นภาษาไทยขึ้นมาภาษาอังกฤษภาษาจีนแปลออกมาเพื่อคนลูกหลานที่เข้ามาศึกษามาอ่านก็จะได้เรียนรู้ศึกษาให้เป็นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงพ่อยังคิดเมื่อวานก็นยังพูดยว่ายังคิดไกลไปถึงประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่ในบรมมโกมโฎมกโฎรัชการที่เพระองค์ท่านทำคู่นูปการให้กับประเทศชาติมากมายแต่ก่อนหน้านี้พวกเราไม่ได้เห็นจริยวัตรของพระองค์ท่านพอท่านสวรรคตลงไปผลงานของท่านก็เผยแพ่ตีแผ่ออกมามากมายในจริยวัจริยวัตรของพระองค์ ที่ทำพิสปิบัติต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระราชชนีของพระองค์จากนั้นก็ในครอบครัวของพระองค์แล้วก็จากนั้นก็ต่อข้าราชการบริฆ่ า, าธาตุฆ่าบริวารของพระองค์จากนั้นก็ประชาชนจากนั้นก็ทําในชนนบทอีกต่างหากพวกเราเห็นแล้ว เออเห็นแล้วก็ต้าเริ่อมใสในการทำของในการาจริยวัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นหลวงพ่อว่าทหาว่ารัฐบาลายุคนี้ทหารว่รทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดที่ใดที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแหล่งเป็นแหล่ง เรียนรู้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแบบอย่างต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าเนเรื่องมีน้ำใจบ้างการคิดมองไกลบ้างการสร้างสรร์ในการวางแบบแปลนมองอนาคตแล้วก็มองปัจจุบันแล้วก็ ออกมาปฏิบัติได้เศรษฐ ก, กิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคํานี้ผู้ที่หัวก้าวหน้าเกี่ยว่าล่าหลังแต่พอผลที่สุดพอกระโดดไปกระโดดมามันก็สู้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ เ, เศรษฐกิจพอเพียงมันแน่นหนามั่นคงกว่าไปได้วยไปได้วยความมั่นคงก้าวไปตีละก้าวไปได้วยความมั่นคง ไอ้พวกที่ก้าวกระโดดไปกระโดดไปกระโดดมานะ่โวงเวงไงผลในสุดกันอ่ะอกลับมาหาที่หลังกอดไม่มีอันจะอยู่จะ ก, กินพื่ออะไรเพราะว่าการก้าวกระโดด เ, เกินไปจนเป็นนี่ศีลพลุงพลังผลที่สุดทํำยังไงฮมันสู้การดําเนินแบบมั่นคงไม่ได้เนี่ยแหละ ก็ว่านำมั่นคงก็คือบุรณาการแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่มีกินแล้วก็ทำมาค้าขายไม่หานี่สินมาหาร่วมท่วมล้นผลตัวนะถ้าคนมีนี่สินมากๆจะเป็นยังไงจากนั้นก็ออกไปทางมิจฉาชีพนะเพราะรเพราะว่าเพื่อหามาทดแทนเนะพราะเป็นนี่สินผลนิจุูกนานันนะ บ้านเมืองจะเดือดร้อนจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเนี่ยนะนายหลวงท่านคิดมองไกลนะมองไกลมอกละเอียดเพราะนั้ น, ลนะนหลวงพ่อว่าเนี่ยนายหลวงนคสมควรยิ่งที่จะมีพิพิธภัณฑ์ให้พวกอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาผู้มีอุปนิสัยได้อ่านกติธรรมของท่านและวันแนวจริยวัฒของพระ อ, องค์ท่านก็จะได้เดินตาม แล้วก็นั่นแหะจะได้นําไปแนะนําสั่งสอนรุ่นหลานรุ่นลูกหลานเล้นเหลนคนในชาติก็จะมีแต่ความลมเย็นผ้าสุกนี่แหละพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันขององค์หลวงตาในยุคสมัยนี้ก็คือพระกรรมฐานเนี่ยไม่มีองค์ไหนที่จะเหนือเหนือกว่าองค์หลวงตาองค์หลวงตานี่ได้ทั้งคดีโลกได้ทั้งคดีธรรมกูบาลจารย์องค์อื่นๆเราก็ไม่ได้ปาหมาท่าน ท่านได้โดยมากท่านมีแต่สอนคดีธรรมสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่องค์ลูกตาเนี่คดีโลกด้วยคดีโลกขององคงตาเนี่ยคือหาทองคำเข้าคลังหลวงแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมมีมากมายที่องค์ลูกตาได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละอันนี้คือคือคดีโลกส่วนคดีธรรมท่านก็ประพติธปฏิบัติเคร่งในหลักพระธรรมวินยัย หาที่องค์ไหนที่จะทําเหมือนหลวงตานี่ได้ยากจากนั้นก็เป็นพอเข้มงวดกวดคันและและกระจักนั้นก็แสดงทำประเทศศนาไม่มีองค์ไหนที่จะเหนือกว่าองค์หลวงตาในการแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวในตํำรับตาราหรือทำประเทศศาสนาในเทพในหนังสือใน MP3 เสียงของหลวงตาล้วนแล้วแต่เป็นทีบ แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนแบบาหาองอื่นที่จะเปรียบเทียบได้ยากยไว้เลยสาเหตุก็เพราะว่าท่านได้เรียนมาได้เรียนมาหาป ร, ริญญเป็นมหาป ร, ริญญสามประโยคาทางควะไตปิดกาจากนั้นท่านก็ได้มาประพฤติปฏิวัติแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่ถึงยังไงก็าตามท่านก็ยังน้อมยอมรับในสาย หลวงปู่มันที่ว่าประเพื่ปฏิบัติปฏิบัตินีบูชาแต่ตํารานั้นท่างค็ไม่ได้ปาหมาดแต่ท่านก็ถือยกไว้อีกส่วนหนึ่งอันนั้นคือปริญญาต์คือแผนที่แผนที่ท่านก็ยกไว้ท่านก็ไม่มองข้าวว่าแผนที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่ได้ว่าแผนที่จําเป็นจะต้องเดินตามแต่จะไปยกแผนที่ว่านี่เลิศประเสริฐทีเดียวท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านก็ยกทาง เมื่อเดินตามแผนที่ถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นละเลิศประเสริฐกว่าแต่มีแต่มแตีแผนที่พกอยู่ในกระเป๋าท่านเองกลางแต่แผนที่ไม่ไปไหนท่านก็ไมา่ได้ยกย่องแต่ถ้าว่าเดินตามแผนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่แหะองค์หลวงตาเนี่ยท่านได้แผนที่แล้วท่านยังเดินตามถึงจุดหมายปลายทางที่องค์หลวงปู่มั่นเป็นผู้แนะนําบอกกล่าว ท่านจึงสรุปแล้วก็คือท่านเป็นผู้ที่พร้อมในยุคปัจจุบันทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งจริยวัตนทุกอย่างเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของพระกรรมฐานนี่แหละตัวหนึ่งอันหนึ่งเ่ควรจะสร้าง ล, ลักษณะพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วัมีบรรยายเกี่ยวกับแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาท่านพาดำเนินอย่างไร เป็นตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าถ้าคุณละบุตรสุดท้ายภายหลังเขาไมา่ได้อ่านได้ศึกษาก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระพุทธเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยาวนานเท่านานนที่แหละหลวงพ่อว่าพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาจะเน้นหนักไปในทางแนะนำสั่งสอนแนละลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมแล้วก็ฝ่ายปริยัตทั้งฝ่ายปริยัต ฝ่ายปกครองฝ่ายพระสงฆ์หลวงพ่อว่ในยุคปัจจุบันก็คือเจ้าพระคุณจอมเดจพระสังคราชพญาณาสังวรที่ท่านได้มราณาภาพลงไปอันนี้ประวัติเกียรติประวัติของท่านก็โอ้สวยงามแนะนำสั่งสอนผีนอกประชาชนพระไตรนังสือของท่านไม่รลูกกี่เล่มในพระธรรมเทศนาของท่านอันนี้ ทั้งได้ทั้งปริยัติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของฝ่ายฝ่ายปกครองอีกเหมือนกันไม่ใช่จะมุ่งแต่ฝ่ายปกครองอย่างเดียวปกครองตนเองด้วยปกครองคนอื่นด้วยหลวงเจ้าประคุณสมเด็จ อ, อยาณสังวรท่านปกครองของท่านตัวของท่านเองแล้วก็ปกครองคนอื่นอีกต่างหากนี่อันนี้ก็สมควรอีกเหมือนกันนะ หลวงพ่อว่าได้จะเป็นาทาพิพิธภัณฑ์แล้วเอาแนวรามคำสอนของเจ้าพระคุณ อ, ออกม า, เ, าเป็นหลัก เ, เป็นแผนหลักศิาลาจารึกให้พวกลูกหลานได้เข้าไปศึกษาเนะี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าว่าคิดเอาไปอย่างอื่นเไปบูรณาทำอย่างอื่นก็ดีมีประโยชน์แต่ว่าจุดนี้เนี่ย เป็นการพุจนรณาหรือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชาติพวกควรจะทุ่มเทนในจุดหนึ่งอีกเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเคยพูดว่าการพัฒนาประเทศชาติเขียนแผนแผนที่แผนที่สิบตัวแผนที่สิบเอ็ดจะพัฒนาอย่างไรมีผู้มาถามผููใหญ่ที่จะเขียนแผนพัฒนา หลวงพ่อก็บอกโป้งไปเลยต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนดีแล้วสิ่งอื่นมันดีไปตามหมดถ้าคนเลวสัอย่างเดียวถึงจะพัฒนาฐานฐาวอนวัตถุขนาดไหนเจเริญรุ่งเรืองขนาดไหนแต่คนในชาติขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีแต่นักเลงนักเลงหัวไม้มีแต่คนทำที่มีแต่คนไม่ดี ในประเทศชาติอย่าหวังเลยที่จะพัฒนาประเทศชาติให้สําเร็จรูป ล, ล้วงไปได้นี่แหละสรุปแล้วก็คือการพัฒนาคนจะทํำยังไงเนี่ยมันไปมีหลายๆแนวทางที่จะพัฒนาเนี่แหละอย่างพิพิธภัณฑ์อย่างในหลวงพ่อแบมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอมีส่วนเหมือนกันอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนีเ่ที่ท่าน สวรรค์ไปแล้วเนี่ยสื่อต่างๆออกปาเผยแผ่จริยวัฒของพระ อ, องค์ท่านรู้สึกว่าพี่น้องประสบในก่อนหลังน้ำตาไม่รู้ว่ากี่คนเหมือนกันเพออราะอเพราะเห็นเห็นว่าท่านมีความตั้งใจเป็นความพยายามที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองจุกเย็นเป็นสุกร่มเย็นเป็นสุข พระองค์เสียสละทุกอย่างไปทุกหัวและแห่งทั้งพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่พระองค์เข้ามาทางฝ่ายพระกรรมฐานมากราบหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน้นหลวงตาหมาบัวไปองค์อื่นๆหลวงปู่แหวนที่ท่านเข้าไปศึกษาธรรมะจากนั้นก็ท่านก็ไลยเห็นจริยวัด ของครูบาอาจารย์จากนั้นทัานําไปปรปับปรุงจอมเป็นที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสรุปแล้วพวระองค์ก็ผสมประสานไปเห็นใัศฐานที่ใดจากนั้นเปล่านํำมาไปยกเอามาใช้ในจิระวัตรของพระองค์จอมเป็นที่ยอมรับของพระสงฆในก่อนทวนนาเลยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่หลวงองค์หลวงตาก่อนลักษณะ อย่างนั้นเหมือนกันน่ยหลวงพ่อว่าหาองค์ที่จะดําเนิน ว, ว่าประพฤติปฏิบัติได้เสียบขาดอีกต่างหากแล้วก็แข็งแหลมคมอีกต่างหากแล้วก็ถูกต้องไม่ไปตามแนวแถวของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดแย้งกันทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายพุทธ ผู้ถือตำราผู้ถือตำราถือแผนที่ก็ไม่ได้ว่าหลวงตามหาบวนออกนอกรูน อ, อกทางนะถ้าก็ยอมรับพ่ออะไรพ่อหลวงตาเดินตามแนวแถวปฏิปทาแนวตามแนวแถวของพุทธนะหลวงพ่อว่าพวกเราที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนะี่ยบางลูกหลานบางคนก็กลัวบาป เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกลัวบาปหลวงพ่อว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกเอกลัวบาปอย่างอื่นดีกว่าเรื่องตัวนี้มันมีแต่บุญเทะนะ่านั้นที่จะสร้างบุญที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานีถ้ามันจะเป็นบาปนะหลวงพ่อจะรับเลยบาปตัว น, นั้นนะ่ะหลวงพ่อว่ายอย่างนั้นเลยนะแต่เวลาได้บุญมาต้องแบ่งให้หลวงพ่อด้วยนะเวลาได้บุญมาต้องแบ่งให้หลวงพ่อนะ ไ อ, อ, อ้เรื่องบาปหลวงพ่อคิดทบทวนดูแล้วไม่มีไม่มีทางไม่มีช่องที่จะเป็นบาปเป็นกรรมมีแต่คุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนามีแต่คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีตรคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานท้องถิน่นผู้ที่ดำเนินระบบเสียสละทุนทรัพย์ หลวงพ่อเองก็ได้ศึกษามาตามที่ผู้ออกแบบติดตามมาโดยตลอดผู้ออกแบบออกยังไงมันจะเป็นเครื่องทำรายทำรายพระพุทธศาสนาไหมแต่องค์ลงตาท่านก็พูดอีกว่าในเมื่อการก่อสร้างต้องเป็นหน้าที่หรือเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดิน เ, เราก็ไม่ว่า แต่ถ้าว่กคนอื่นก่อสร้างเนี่ยใคราว่าท่านไม่อยากจะให้ทำถ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้ทุนกระหม่อมก็เป็นเออเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นเป็นลูกสาวขององค์ท่านนี่แหละพวกเราให้การสนับสนุนเมื่อเมื่อทุนกระหม่อมเป็นประธานเราก็ให้การสนับสนุนพระองค์เป็นประธาน เ, าเป็นผู้นําพวกเราก็ให้การสนับสนุน ที่พระองค์เป็นประธานในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะนี่แหละสรุปแล้วคือคือพร้อมกันทุกมูลเหล่าทั้งเบื้องสูงก็คือทูลกระห ม, อมอ่อมจากนั้นกับข้าราชการจากนั้นกับพี่น้องประชาชนจากนั้นก็ฝ่ายพระสงฆ์แล้วก็บผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีธรรมดาที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าว หลวงพ่อเนี่ยเกิดมาในหลายยุคหลายสมัยสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นมีการขัดแย้งไหมมีในเมื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ฟันมีไหมมีหลวงพ่ออยู่ทั้งหมดอขนาดหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์หลวงปู่ล่ามีไหมมี แต่ไม่มีเถอะของคุณแม่ฉีแก้วมีน้อยเพราะว่าคุณแม่ไม่มีลูกศิษย์ลูกหามากหลวงพ่อกันเนี่ยทนะําท า, าไปแล้วก็จบแต่ครูบาอาจารย์ไม่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะไม่รู้สาเหตุอะไรเราก็คิดเดาไม่ออกเหมือนกันเรือกว่าอิจฉากันบ้างเรือกว่าความไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าพักพวกบ้าง เลื่ออกมาจากใจจริงยังไงอันนี้ก็สุดแท้แต่จะเดาสรุปแล้วก็คือมีความไม่เอกฉันนะพูดง่งายๆนานาจิตต่งางนานาทัศนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กลา่าวนานาจิตต่างจิตความคิดความเห็นมันแตแกต่างแตกต่างนานาทัศนะคือความเห็นไปคนละทิศทางคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่นหนึ่งเห็นอย่างหนึ่ง แต่ก็ดีไหมก็ดีถ้าเห็นทางเดียวกันหมดออถ้ามันไปในทางที่ดีมันก็ดีเลิศนะแต่ถ้างว่าไปในทางที่ไม่ดีมันก็ไปทางที่ไม่ดีอีกเหมือนกันออถ้างว่ามีการทวงติงขัดแย้งกันบ้างออต่างคนก็ต่างถอยมาแล้วก็คิดได้คิดให้ถี่ถ้วนก็ไปอีก อ, อมันก็ดีเพราะว่ามันนานาจิตต่างนานาทัศนะ มันก็ดีทั้งทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้านํามานํามาใช้นะแต่ทิงยังไงก็ให้ทุกคนมองพเจตนาดีนะเจตนาคิดดีทดําดีพูดดนะีถ้าคิดเรวทําเร็วพูดเล็วนั้นไม่ดีถ้าเอาคิดดีคิดเพื่อสร้างสารรค์คิดเพื่อพัฒนาคิดเพื่ อ, อบูชาพระคุณองค์หลวงตานะอย่างเดียวนะมีแต่คิดว่าหลูกตาไม่ให้สร้างนะ เท่านั้นพิดเพียงสั้นเพียงแค่นั้นะไม่น่าจะถูกต้องอไม่น่าจะถูกต้องเราคิดลงตามให้สร้างเพียงแค่นั้นะเพราะพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาสร้างเลยเราต้องคิดดูบ่รมครูอีกเมื่อพบเมื่อพระองค์จะปรินิพานที่กุชินาลานะวันเดือนหกเป็นคืนนั้น่นคืนที่จะปรินิพาน โป่ง ก, ก็ น, นอนสีห์สายญาตินอนตะแคงขวาพระสงฆ์ร้อมรอบพระนอนก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธองค์กประกาศด้ว่าคืนนี้แหละจวนสว่างเราจะปรินิพพานคือเราจะตายเราจะใจขาดเราจะตายละแต่พว ก, กพูดอยู่ตราสได้โดยตลอดพระนนอนก็ทั้งเสียอกเสียใจเพราะท่านเป็นยังเป็นพระโสดาบันอยู่น้ําตากระอาบหน้าอยู่ตลอดนะก็ยัง เข้าไปถามพระพุทธเจ้าขาเนี่ยจะให้พวกข้าพระ อ, องค์ปฏิบัติอย่างไรเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานแล้วเนี่ยคือสรุปแล้วก็คือว่าจะให้พวกข้าพระ อ, องค์ทำยังไงเมื่อพระ อ, องค์ตายไปแล้วเนี่ยกับสลีละคือร่างกายสังขารของพระ อ, องค์น่จะให้ผมจับยังไงใส่หีบใส่โลงยังไงลักษณะอย่างนั้นและพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะในพระ อ, อ น, นุ์เข้าไปทูลถามว่า จะให้ข้าพระ อ, องค์ปฏิบัติอย่างไรในสรีระของพระ อ, องค์เมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานแล้วพระเจ้าข้าพระ อ, องค์ผูดออกมาเลยดูก่อนอานนท์สรีระของเราตถาคตพวกท่านไม่ต้องยุ่งเป็นหน้าที่ของมันละกษัตริย์เป็นพระที่ของกษัตริย์เขาจะจัดการไอพวกเธอเนี่ยให้ไปเผากิเลสนั่งภาวนาปฏิบัติอย่างทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัตะสงสาร ถึงพรนิพพานนะเป็นหน้าที่ของพวกท่านเรื่องสรีระของเราไม่ต้องยุ่งเปนน็นหน้าที่ของมันลักษัตริย์อ่าข่านนาทนพระพุทธองค์ยังตัดอยู่ในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าเออเมื่อเราตถาคตอ่าปฏิพานไปแล้วตายไปแล้วเผานะ่ะเผาเสร็จแล้วเอากระดูกของเราไปสร้างพระเจดีย์น ะ, ะสร้างกรุงสาวัดทีด้วยที่วัดของเราเคยอยู่มาก่อนเน่ยพระองค์ไม่เคยตรัสเลย จากนั้นก็พระอานุ์ก็ถามพระพุทธเจ้าอีกว่าจิงอยู่พระเจ้าค่ะที่พระองค์ที่พวกองบอกว่าเป็นมันหน้าที่ของมันลกษัตริย์เป็นพวกกษัตริย์ที่จะจัดการในชลีละของพระองค์แต่เมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วมันรักษกษัตริย์เขาคงจะถามจะถามพวกข้าพระองค์ว่าดูก่อนท่านอา น, นุนพระสงฆ์ทั้งหลายจะให้พวกข้าปฏิบัติอย่างไรในชลีละของพระพุทธเจ้า แล้วข้าพูนจะตอบเขาว่าจะไงพระเจ้าข้านะเออให้จัดการตามแนวแถวของพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิสวรรคตไปแล้วก็ให้จัดการตามแนวแถวนั้นแต่ในยุคนี้ในยุคของพระพุทธเจ้าท่าไม่มีคําว่าพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะมีแต่พระเจ้าแผ่นดินธรรมดานะเอ่อพระนรินทก็ท่านจัดการอย่างไงหนอพระเจ้าข้าเรื่องจัดการเรื่องศรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะ เออพระโอ์พระองค์กดไล่เลี้ยงให้ฟัง น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือพอพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นไม่ให้ผาผอกริดแต่เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระาธาตุของพระองค์เขาก็แบง่แบงแบ่งแยกกันมาหาษัตัิย์แบ่งแยกกันเอาไปปฏิสถานสร้างพระสถูะเจดีย์ขึ้นทุกหัวและแห่งจนมาถึงเมืองไทยของเรานะ ถ้าพระทาตพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชทางประเทศพม่า ก, ก็ไมไ่เท่าไหร่เขามาสร้างพระเจดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยนี่บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้านะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะทำพระเจดีเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อว่าหลวงตาก็ไม่ได้สั่งจริงแต่ว่าพวกเราในฐานะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยควรจะคิด ว่าอะไรที่เหมาะสมยังไงถูกต้องยังไงเป็นธรรมยังไงเป็นการเชิดชูบูชาองค์หลวงตาอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยๆกันคิดนะเนี่ยหลวงพ่อแนวความคิดเห็นอย่างนั้นลูกหลานนะแต่เรื่องจะบรรยายว่าพระพระพุทธองค์บรรยายยังไงที่พระพุทธเจ้าเ อ, อปฏิบตัติต่อจริแลของพระเจ้าจากักรพรรดิให้ลูกหลานไปศึกษาเน่นะในพระไตรปิฎกมีอยู่แล้วนะเ อ, อ ปฏิบัติอย่างไรในชารีระของพระเจ้าจากกักรพรรดินะ่ะผมบัลลัยยายละเอียดในปริปรินิพานสูตรนะเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อพูดยาววันนี้ลูกหลานะเลยมาพูดถึงเรื่องจีดีลงตาที่ไหรถ้าจะว่าไปลรอ้อมันขึ้นแลว้วงนันเอาับพอเนดะ้ทีนะ